ในในการฟังเทศที่อธิบายฟังสครัางทุกคราวล้วนเดแนะนำตักเตือนในทางที่ดีที่ชอบเทศแต่และกันละกันร้วนไปจะเป็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แต่ตอนที่ผู้ฟังฟังไป อาจจะไปเห็นเป็นของเล็กน้อยและไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจึงไม่ได้เห็นผลเห็นประโยชน์ในการปฏิบัตินั้นเทศนาก็ซ้ำซักซ า, กซ า, กซากถึงพระพุทธเาวดันเทศนาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่นำมาเทศก็เอาธรรมะของพระองค์เทศไว้แล้วแต่ก่อน มาแสดงให้ฟังซ้ำๆซักๆเพื่อให้เข้าใจความหมายนั้นนอาไปปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติในการเทศอันครั้งนี้เสมอนกันการเทศอื่นไกลเรื่องศาสนาพุทธ พระองค์ตัดเทศนาไว้เบื้องต้นซึ่งเป็นเหตุที่ตั้งรากกั้งฐานขึ้นเบื้องต้นก็จะต้องให้มั่นคงเสียก่อนเหมือนกับต้นไม้้าลากไม่มั่นคงมันก็จะโค่นลงไปเสีย ถ้าลากมันคงแล้วจะอยู่นืดนานศาสนาก็เหมือนกันลากที่มันคงพระองค์เทสนาอะไรทะเทสนาก็ไม่มีไม่นอกเนือจากศาีลสมาิปัญญาศีลเป็นรากเนาเวืองตน้น สมาธิเป็นธรรมกลางคือต้นลำปัญญาคือเป็นดอกผลธรรมเทศนาพุทธศาสนานี่เป็นอย่างนั้นเทศนาเทังเรื่องศิลคารวาตุบาสกุบาจิกามีศิลห้าศิแลแสดเป็นรากฐาน ให้ตั้งมันอยู่ในชิ้นห้าชิ้นแปดไปก่อนแล้วถึงจเจริญสมาธิให้มันคงพระพิษในสามเน ม, มีชิ้นจิตเป็นรากฐานมันคงแล้วทำสมาธิยังค่อยเป็นไป ยิงจเจริญงอกงามอิษุสินสองอยีสเจ็ดสมบูรณ์บริบูมณ์ตั้งรากฐานมันม่นคงไปแล้วทำสมาธิยิงจะเจริญงอกงาะบางอาจารย์สอนว่า ศีลเป็นของเล็กน้อยและเป็นของภายนอกไม่เป็นของสําคัญถ้าหากจิตหัดสมาธิเอกสำเร็จหัดสมาธิให้แข็งกรา้าหัดสมาธิให้มั่นคงถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วศีนไมต้องรักษา ความข้อนั้นผิดผาดจากหลักพุทธศาสนามากพละองค์เทศนาถึงเรื่องศีลและยังคอยเทศนาถึงเรื่องสมาธิส่วนสัญญ า, าเราพูดเราเกิดเองผู้ปฏิบัติสมาธิมันยากเป็นของเอี่ยนไ เป็นของละเอียดอ่อนมากเมื่อฮัดสมาธิไม่ได้แล้วก็จะไม่มีเครื่องไม่มีที่พึ่งหมดเท่านั้นถ้าหากมีสินมั่นของสมาธิไม่เป็นไปลดหยอดมาก็ยังไม่อยู่ในิีน สิ่สมบูรณ์เท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าหาไม่รักษาสิ่งจะแล้วพอลดจากสมาธิอมมดไม่มีที่พึ่งเหตุ น, นั้นสิลจึงได้ชีวะเป็นลากฐานของการทำสมาธิจะพูดลำดับ เรื่องสินงดเว้นจากอาสัตว์แล้วก็เข้าใจแล้วทุกคนเจตนาที่งดเว้นน่เป็นการรักษาสินถ้าไม่เจตนาไม่เป็นสินถ้าไม่ตั้งใจงดเว้นมันเป็นชิน คนมีการฆ่าสัตว์พระองค์จึงให้รักษาศีลถ้าหากว่าไม่ฆ่าสัตว์พระองค์ก็งดไม่งดเว้นจากขัาไม่ให้งดเว้นการงดเว้นนี่แหละเป็นเหตุใอ้เป็นตัวสิล พระองค์เทศนาทั้งเ ร, ง ร, งรื่องชิ้นตัวเดียวไม่ต้องมากแต่ต้องรักษามากรักษาเจตนาตัวเดียวเท่านั้นเป็นว่าสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกขอบตัวเจตนาที่ตั้งใจงดเว้นจขากการฆ่าตัก รักทรของเกิผิดมิชาช่างก า, าของโฮมสวะเติมสุราไม่ไรด้วยเจตนาเตดียวเป็นสินเป็นสินครอบต่างหาสิ้นแปดชิน 10, ช้นสิบชิ้นสองรอยี่สิบเจ็ดอยู่ที่เจตนาเท่านัถ้าไม่มีเจตนา ง, งดเว้นแต่แรงไม่เป็นสินเลย อย่าไปคิดว่ารักษาชินมากรักษาฉินหาตัวหาของแตกตัวซิบตัวหรือว่าสองยิบเจ็ดเป็นมากเป็นของมากไปคนที่รักษาฉินมา ก, มากอยากพระท่านบวดมา ไปดูตำหลับตำลาพวินัยถึงสองรอยยี่เจ็ดเดือดร้อนใหญ่ตโตหัทฐานโอ้โยรักษาไม่ได้ครับตีงตัวที่ไหนก็เป็นจะโทษแจะบัตรหมดชิีนมากมาย อยู่ไม่ได้จนสุดสามวั 3, 000, 7, 000, นเจ็ดวันในได้บุญมากคือ่าไม่เข้าใจเรื่องสิทธ์ว่าตนได้บุญมากไม่รู้จักซิกขาบทตรวีไนไม่รู้จักงดเว้นจากบาป น, นั้นเข้าใจว่าได้บุญมาก <c oughs> เมื่อไปเห็นเขาวีไนตอนะโดยท้อใจอยู่เป็นนานเท่าไรยิ่งบาป เข้าใจกันอย่างนี้เพราะเหตุที่รักษามากตัวเองถ้ารักษาเจตนาตัวเดียวเจตนาพ ม, มดเว้นนั่นสินสารยเกตเลยครบบริบูรณ์เหตุนี่แหละคนที่ไม่เข้าใจ รักษาสินห ล, หลายตัวหลา ย, ลายข้อเลยเป็นของยุ่งยากลงบากศินข้อที่แรกงดเว้นจากขาดที่เจตนางดเว้นเท่านั้นเห็นสัตว์มันเกิดอินทรีย์เกิดเมตตาสงสาร มันไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดบสัตว์ไม่ทำลายให้สัตว์เกิดสงสารเอ็นดูบางทีเห็นอยู่เอ็นดูสงสารแต่ยังมีเจตนาที่จะต้องทำลายมันไม่ต้องฆ่าที่จิงสินข้อ น, นี้น่ง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 พุทธศาสนานั่นก็ได้ชื่อว่าเข้าไปซึมซาบในใจอยู่แล้วข้าสัตว์เล็กน้อยตลอดถึงสัตว์ใหญ่โตตลอดถึงข้าคุณนี่ออกไปจากสัตว์เล็กๆน้อยนี่ทั้งนั้นของที่มีวิญญาณไม่เกิดสงสารเมตตา สัตว์ใหญ่ๆก็มีวิญญาณตลอดถึงมนุษย์ก็มีวิญญาณขามดพ่อแม่พี่น้องก็มีวิญญาณมีอุปคุณมากไม่เลือกนี่การขาดสัตว์เป็นอย่างไรข้านี้ลองคิดดูที ในโลกแบบนี้มีแต่การฆ่าไม่เลือกทั้งนั้นแล้วใครก็ปราฐนาที่จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกตัวตนแม้แต่สตัตว์เลีงฉนก็ต้องการปราฐนาไม่ให้ใครเบียดเบียน แล้วคนเกิดคือมาแล้ะพห้ยามไจะเบียดเบียดใด้เจียบฆ่ากันไม่ใช่ความสุขเกิดจากที่ไหนไม่มีความสุขเลยจาก่เบียดเบียดใอยู่ลรั่มไปเงี้ยสิ้นค้อแรกเท่า น, นั้นเป็นเหตุยุ่งยากเป็นเหตุลำบากเดือดร้อนทักกันหมด ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีความสุขอัตภาพร่างกายของตนถึงจะเป็นก็โกครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ตามเถิดแต่ไม่ใช่คนอื่นมาเบียดเบียนอยู่ตามอัตภาพของตนก็ยังพอทำเรา <c oughs> มีเป็นข้อหนึ่งข้อสองการลักขโมยของกันและกันเขามีคามจิตที่จะต้องลักมีอิสระรักษาสิ่งของของตนไว้ต้องใช้ต้องกินตามเรื่องของตนที่หามาได้หาลัก<ม>ของเขามา ชอบโกงของเขามาเสื่อมเสียอิสรภาพเห็นแก่ได้ของแก่ตัวคนเดียวไม่คิดถึงความทุกข์ลำบากของคนอื่นคนจนจก็แด้วก็ยิ่งจนเอาไปมันทุกข์ก็้วก็ยิ่งทุกข์คนยิ่งทุกข์เข้าไปอีก มันจะได้ความสุขจากไหนให้การเบียดเปลี่ยนกันเนย่าไหถ้าหากว่าซื่อสัตว์ชุดจริตต่อกันและกันแล้วจะรับคงจะได้รับความสุขเบิกบานอยู่ด้วยกันพี่เป็นอย่างฉันพี่น้อง เหมือนกับลูกกับหลานบ้านเรือนันเดียวกนนันการซื่อสัจจริตไม่คิดคดทรยศต่อกันนั้นเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ความคิดคดทรยศต่อกันนั้นอย่าไปพูดในเรื่องอื่นไกลแต่บุตรภรรยาสามีโยบ้านเรือนด้วยกัน มันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้วางใจซึงกันไละกันท่านยังสอนให้งดเว้นเพื่อต้องการความสุขแก่มวลมนุษย์ในโลกทั้งหมดไม่ใช่สอนคนใดคนหนึ่งสอนให้เปิดให้ได้ดับความสุข้วยกันทั้งหมด จึงว่าพระเจ้าท่านสอนกว้างขว้างมหาการุณิกนาโทเป็นมหากรุณาอย่างยิ่งทีเดียวเป็นมหากรุณาแก่สัตวโลกอย่างยิ่งไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นวงของเราการประพฤติผิดมิชัาจา รุนวายเดือดร้อนในโลกอันนี้ก็คตบ่มบุญผิดผิดมิชตาจากผู้หญิงนอกจากหัวผู้ชายนอกใจจากเมียเลยไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเดือดร้อนรวนวายวันนี้ยังเห็นเห็นชัดๆเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเลองให้ มีอะไรไม่จะลองไห้ได้ไปได้ผัวได้มีผัวแล้วไม่ลูกคนหนึ่งแล้วผัวก็ไปหนีทำไปได้มีอะไรทำปได้มีอะไมันเจ้มีอะไรก็ไปได้ในสา ม, มีใหม่สา ม, มีใหม่ก็ไปทิ้งอีกไม่จะลองไห้ ไม่ทราบจะพูดยังไงพูดยังไงก็ไม่ฟังมดท่าอะไรกันนั้นไม่ใช่เรื่องนิชฉาจารย์ยือคือไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันประพฤติผิดนอกใจคือประพฤติผิดนอกใจซึ่งกันและกัน มันยังค่อยเป็นอย่างนั้นอันนี้เลยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดร้อนร้องไห้ยังก็ทั่งไม่มีละอายไม่ใช่ฐานที่จะร้องไห้มาร้องไห้ในที่นั้นจะไม่มีที่ละอายเลยความทุกข์มันกุ้มอกกุ้มใจซึ่งเลือที่จะทนหนานับ มีทรัพย์ชิ้นเงินทองมากมายแต่ความกลุ้มใจก็เลยเหมือนกับไม่มีไม่มีความหมายอะไรหรอกการพูดเท็จพูดโกหกคำไม่จริงเป็นเหตุใหญ่ตโตถาน พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าคนพูดเท็จพูดโกหกทำไม่จริงนั้นบาปอื่นๆนัซึ่งจะไม่ทำไม่มีมดทางพวงมดบาปทางพวงม่ดต้องทำเหตุนั้นเนพะพมา่าเขาจึงถือนักถือหนาคนพมา่าเลย ถ้าหากโค้กหกคำเดียวเท่านั้นนะ่ะชิ้นหาหมดไม่มีเลยชิ้นหาชิ้นแตกไม่มีเลยแต่พระบวชในพุทธศาสนาพระโค้กหกคำเดียวเท่านั้นนะ่ะเขาหาเป็นพาะผ้าไม่มีสิขนบทรรนี้วันนี้ยังเกี่ยวเนื่องมาถึงเมืองไทยคือภาคเหนือยังถือกันอยู่ โกหกมาชิดเดิยนีิมันโกหกแล้วไม่ไม่มีเหลือสักอันเดียวสามีโกหกภรรยาภรรยาโกหกสามีหลอกหลวงซึ่งกันและกันเป็นเหตุนในขี้ขโมยลักสิ่งของซึ่งกันและกันเป็นเหตุในลักจิตลักใจนอกจิตนอกใจสามารถที่จะ ทำลายล้างผานซึ่งกันและกันโกหกอะ น, นั่นนะดื่มสุราของนิดๆห น, น, น่อยๆหรอกไม่เป็นไม่เป็นอะไรครับดื่มเพื่อเจริญอาหารนั่นแ่ะที่แรกมเมือนเมาแล้วไม่มีสติของตนที่ไม่มีดีก็หาว่งเป็นของดีของวิเศษ วดโอโผดทุกรากาศคนที่จะทะเลาะ อ, อีวาดกันกรับเพราะดุรายาเมาถ้าหากว่าจะฆ่าจะตีกันต้องดื่มชาดีก่อนให้มือเมาเสียก่อนถ้ามีสติดีๆอยู่จะไม่กล้าลงมือทำให้มือเมาเสีจนกระทั่ง ลืมสติซะก่อนยังค่อยลงมือทำได้ทุกวันนี้สุรายาเมานะั่นแหละมันเป็นเหตุนอกจากนั่นก็ยาเสพติดเฮโรอีนกันซาพกปิษพวกพวกนี้มันติดแล้วเสียผู้เสียคน เสียสุขภาพอนาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างกันติดอันนี้เรามีอะไรจะกิน ม, มีอะไรจะดื่มพอ่อก็ข่าแม่ก็สามารถข่าได้สามารถลักขโมยสิ่งของเล็กๆ น, น้อยๆถ้าเราพัดทุกอย่าง ก็ของเล่านี้มันไม่ใช่ของเกิดกับตัวเราไปฮัดเราไปฮัดให้มันหัดสูบหัดติดต่างหาก ด, ดีๆแล้วไม่ชอบคนมีสติดีๆแล้วไม่ชอบชอบมอมเมาจนลืมสติไปต่อ เสียพู้เสียคน พ, พูดไม่รู้เรื่องดูหนาติดแล้วก็ทำให้สุขภาพอนามัยเสียเฉืยงเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็ไม่ได้ชิ้นห้าประการเป็นรากฐานของสมาธิถ้าศิ้นห้าบริสุทธิ์เมื่อไรแล้ว ใจจิตใจของสายบาทรเรียกว่าทำสมาธิพรณนาได้ดีสมาธิเป็นของเอียงละเอียดอ่อนมากคิดถึงเรื่องความชั่วของตนและความผิดของตนที่ทำมานิดเดียวเท่านั้นนะเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิพรวนา ถ้าหากว่าจะทำสมาธิแน่วแนว่เต็มที่ต้องมีสินบริบูรณ์เสียก่อนอันที่เราไม่คิดถึงเรื่องความมัวหมองของจิตเพราะเหตุที่ผิดสินสมาธิยังทำไม่ได้ถ้ามาคิดถึงเรื่องสินห้าขอ้อ ทมบรณ์บริบูรณ์ในใจของตอนจิตจจใจเบิกบายินแย่เทียมใัยเลยเป็นสมาธิถ้าหากสมาธิไม่เป็ดก่อนพิจารณาทั้งเรื่องสินตดยิ้มเอิบอยู่กับสินสรบูรบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการนั้นแหละจงว่าเป็นลักฐานเป็นรากฐานของ พุทธศาสนาออกไปจากสิตนี้ทั้งนั้นแล้วลึกถึงคุณสิ่งอลลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วลึกถึงสิ่งเรื่องเรื่อง อ, อนุสติสิทก็เป็นภาวนาในตัวถ้่ตองเลึกอะไรละเราลึกแต่เพียงสิ่ห้าเท่านี้ละกลวดกลาพิจารณาเรียบร้อยทุกอย่าง หากเป็นสมาธิเองส่วนปัญญาหนึ่งเอาไว้ที่หลังถ้าสมาธิไม่มีจะได้มันไม่เกิดออกปัญญาเรื่องพิจารณาเห็นสินตรวจกลาพิจารณาเรื่องสินอันนั้นตัวเป็นยาเหมือนกันปัญญาธรรมดาธรรมดานี่นหละ่หน้าจิตแจองตน ให้ใช้สะอาดบริบูรณ์กับตัวปัญญาดีๆเนี่ยปัญญาธรรมดาส่วนปัญญาปรัชนาไว้ต่างหากหาก็ปัญญาโมนีสสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันจะเลยเป็นปัญญาปรัชนาที่จะให้ถึงมรรค น, นิพพานที่จะให้ถึงฌานสมาธิสมาบัาาติพิจารณาใจรักอันนี้จังทุกขังาตาเห็นชัดทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนเห็นทุกเมื่อ เห็นเป็นไตร ล, ละคืออ น, นิจจังทุกขังนาตาตัวเราตัวเขาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มดโดยกันมันสมาธิแนวแน่แล้วมันน่ะเกิดอย่างนั้นสมาธิไม่แน่วแน่ตัวของเราเห็นเป็นตัวดีๆอยู่เห็นเป็นคนเห็นมนุษย์ความเพียงเกิดดับเป็นตัวอหนึ่ง เป็นตัวสัตว์ตัวหนึ่งในโลกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปคิดดูสิสัตว์เกิดมาทุกตัวมีดินน้ำไฟลรผสมกับเปียนกอเหมือนกันทั้งนั้นมันจะมีอะไรเป็นมีอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่มีสำหรับร่างกายเพียงแคนะ่นั้น ต้องมีดินน้ำไฟลมนั้งโลกนี้ เ, เป็นอย่งังไงพระพุทธเจ้าท่านสงสารอินทดุปราธนาความสุขแก่มนุษย์ชาวโลกทั้งหมดปราธนาจริงๆให้ยามอสตาแนะนำตักเตือนโอ้โห้คุณโงแง่มากมายเทศนาให้คนฟังตอนหัวข่ํา เทศนาทิศสูทั้งหลายฟังตอนกลางคืนเทศในเทพประดาฟังตอนจวนสว่างพิจารณาดูโลกูกว่าใครมีปณิสัยวาสนาคนที่จเจริญสังเดชว่าคนนีพผ่านชาวาถ้าพายปาอินทาบาดจะหาโปรดนู่นพระองค์ทาตลอดตั้งแต่เดตัสรูมา มันมีเว้นแต่ละวันจิตท่าประการพระพุทธเจ้าเทศนาในท่านมีกิตท่าประการอยู่